ผูทวารสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบครายการสันสนีสนทนาคะ่ะดิฉันสรนสนีนาฏพงศ์นะคะก็ได้มาพบกับท่านฟังพร้อมๆกับเราจะมีพระมหาภาบูลุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกุงดอธานีซึ่งท่านก็ได้มุ่งมั่นจริงจังในขานที่จะสอนท่านฟังอย่างขันแข็งในการมาโดยตลอดเดี๋ยวเราจะไปกราบนมรสการท่านกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ จะได้ทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสตั้งสติจากการฝึกโดยถูกต้องเพื่อการฟังธรรมที่มีประโยชน์แล้วก็เพื่อประโยชน์ในส่วนอื่นๆของตัวท่านเองกันต่อไปไปกราบนมัส ก, การท่านกันนะคะนมัส ก, การกันทัค่ะเรียพร้จุดประสงค์ของการที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในดางคําสอนอย่างดีขึ้น เราจะมาทําความรู้ความเข้าใจในทางคําสอนได้พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงองค์ธรรมที่เราจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจองค์ธรรมที่จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าโพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเราจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจองค์ธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้วิธีการเริ่มต้นนั้นก็คือเริ่มที่การตั้งสติขึ้นสติปะทานทั้งสี่โดยการที่ให้เรามามีสติระเลิกถึงกายของเรา ตรงไหนที่เรียกว่าเป็นกายประกายของเราเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ปลายเท้าจนไปถึงเส้นผมแต่ม่มีทั้งหลายอย่างหลายส่วนในที่นี้ให้ใช้ลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายตรงที่มันเป็นทาดลมเวลาเราหายใจเข้าไปผ่านปอดผ่านไปตามกระแสเลือดเอาออกซิเจนไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเลือดนั้นก็เอาสารที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียต่างๆออกมาจากเซลล์ ครับออกมาทางลมหายใจเนี่เพราะฉะนั้นลมเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของกายของเราเรามารู้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอ ย, อย่างเป็นปกติเวลาที่เรามารู้ลมนี้สติก็จะเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนั้นจะนาให้จิตของเรานั้นได้รับการรักษารักษาในลักษณะที่จะไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจทําให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินจะไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ทำให้เกิดความขยะกขยงเกลียดชังเมื่อจิตมีสติตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถเห็นสิ่งที่มากระทบได้อย่างตามเนื้อผ้าของมันสิ่งที่ดีมามีเราก็เห็นสิ่งที่ชั่วมามีเราก็รู้เข้าใจโดยที่ไม่ได้ขยะกขยงเกลียดชังโดยที่ไม่ได้ไปรุ่มลงเพลิดเพลินวิธีการที่เราเห็นอยู่อย่างนี้คืเห็นตามเนื้อผ้าของมันเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยคือลักษณะของการที่มีการไคร่ครวญทำเห็นอยู่ด้วยปัญญานะครับคานี้เขาใช้คําว่า ธรรมวิจยะที่มีการไกรครวนดำก็จึงเป็นธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นนงค์ธรรมที่จะทําให้เรารู้เรามีความเข้าใจในทางคําสอนนี้ได้ในขณะที่เรามีสติขึ้นรู้เห็นตามที่เป็นจริงไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในสิ่งต่างๆ่เพราะสตินั้นรักษาจิตอยู่นี้และก็เป็นการทําให้อกคติธรรมมันลดลงไปในความเชื่อที่เราเชื่อมาผิ ด, ผดความที่เราจะไปเกลือกลัวมันก็ลดลงลดลงความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ลักษณะก า, ารที่อกุศลธรรมลดลงลักษณะก า, ารที่กุศลธรรมเพิ่มขึ้นอันนี้คือการทำความเปลี่ยนเป็นวิริยะเป็นการทำจริงแ น, แน่แน่จริงมาตามทางตามคำสอนเป็นวิริยะชนิดที่ทําให้จิตนั้นจะมีความรู้ความเขา้าใจในทางธรรมะมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชงแต่เวลาที่เรามีความอากุศลธรรม ท, ที่มันลดลงกุศลธรรมที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะมีความสบายใจมีความเย็นใจความเย็นใจความสบายใจที่เกิดขึ้นนั้น ก็คือเป็นลักษณะของปีติในที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นการพึ่งสิ่งภายนอกให้ดนตรีมาทําให้เรามีความสุขให้คนพูดต้องชมเราเราถึงจะมีความสุขแต่อันี้เป็นความสุขความสบายใจความอิมเมอรบใจที่เกิดจากในภายในอันเป็นผลของอกุศลธรรมที่มันลดลงลดลงอันเป็นผลของกุศลธรรมที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความมีเมอรบใจความสบายใจที่เรียกว่าปีตินี้เป็นหนึ่งในองค์คุณที่จะทำให้เรา มีความรู้ความเข้าใจเห็นได้เฉพาะตนในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาก็เรียกว่าปีติสัมโพชงจะเกิดขึ้นในใจของเราจากการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงมีการใครค่ครวญธรรมจากการที่เราตั้งสติขึ้ น, น่นเองพอจิตของเรามีความอิม่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยมันจะไม่ได้ไปวุ่นวายขึ้นลงตามสิ่งต่างๆภายนอกแต่อากาศจะเป็นยังไงท้องฟ้าจะเป็นยังไงฝนจะตกแดดจะออกคนจะทําเสียงอะไรต่างๆ เราจะไม่ได้ไปวุ่นวายเปลี่ย cool. umm er mhm. นแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเพราะด้วยความที่จิตมันเย็นจิตมันสบายจิตมันมีความปีติอยู่ในภายในลักษณะการที่เรานิ่งเฉยวางเฉยกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกได้จากการที่เราตั้งสติมารู้ลงไปใจอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความสงบระงับ3มที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือปัสสถานิหรเป็นปัจสถานิคือความสงบระงับที่จะทําให้เรารู้เข้าใจธรรมะได้เป็นปัจสถานิสำโพชง องค์ธรรมแบบ น, นี้เวลาที่จิตเราสงบนิ่งทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยไม่ได้วันไวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกลักษณะจิตที่เป็นแบบนี้คือจิตที่เป็นอารมณ์ันเดียวคือเป็นสมาธิลักษณะสมาธิแบบนี้อารมณ์ันเดียวแบบนี้จะทาให้เรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมะมีความรู้ธรรมในทางคําสอนได้เรียกเป็นสมาธิสัมโพชงเวลาที่เมื่อมีจิตแบบนี้แล้วเนี่ยมีสิ่งอะไรมากระทบตูม้มเนี่ย จิตของเราตั้งเฉพาะอยู่เย็นอยู่อย่างดีมีอะไรมากระทบเราก็มีความวางเฉยแต่มีความวางเฉยไปความวางเฉยเนี่ยก็คืออุเบกขาเป็นความวางเฉยที่เราไม่ได้หวั่นไหวไปตามกา ร, ปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกความวางเฉยทั้งทางกายด้วยความวางเฉยทั้งทางจิตด้วยอันนี้เป็นความวางเฉยคืออุเบกขาชนิดที่ทําให้เรานั้นสามารถมีความรู้ความเข้าใจธรรมาได้ซึ่งองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ธรรมทั้ง7อย่างนี้ ที่จะให้เราเข้าใจธรรมะฟังธรรมรู้เรื่องลึกซึ้งขึ้นไปขึ้นไปก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เราตั้งสติขึ้นนั่นเองอย่างการที่ท่านบูฟังมารู้ลมหายใจนี่เป็นการตั้งสติขึ้นละจะนําโพชฌงค์ทั้งเจให้เกิดขึ้นได้เราจเจริญโพชฌงค์ทั้งเจ็ไปก็จะทําความรู้คือวิชาความพ้นจากผัสสะต่างๆคือวิมุตต์ให้เกิดขึ้นในจิตของเราทำ ต, ตามกระบวนการนี้ไปในขณะที่ฟังธรรมในขณะที่ขรถองค์ทําเป็นการ แต่สรู้ทำจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาที่เราทํากิจการงานในบ้านหรือว่าในการงานที่ทํางานต่างๆก็ตามแต่เรามีความวางเฉยมีความสงบระงับแต่ซึ่งนี้เป็นสภาวะทางจิต ท, ที่เราทําให้เกิดขึ้นได้จากการที่เราเจอภาษาต่างๆแต่ซึ่งการฝึกการปฏิบัตินี้ก็ให้ทําอยู่อย่างต่อนเนื่องในขณะที่ฟังทำด้วยเหมือกั น, กนจุฬาภรณ์สาธุค่ะตอนนได้พูดในตอนสุดท้ายนี่เป็นคําตอบ ของคำถามที่ที่ท่านกะว่าเดี๋ยวพอท่านได้สอนตรงนี้จบเนี่ยจะถามเลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับหัวข้อคำ ว, ว่าโพชชงเนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าอืเรื่องวิจิตวิลิสมาลาสูงโซกงแต่วันนี้ท่านเพบุญได้เอามานำในการปฏิบัติธรรมสั้นๆโดยครบทั้งเจ็ดที่เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ใช่เราก็เลยเขาจะถามท่านว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราเพียงแค่ เพิ่งเริ่มตั้งสติตามที่ท่านสอนเนี่ยเ็เพิ่ง เ, เริ่มเริ่มทำอยู่แต่ว่าก็ได้ใคร่ครวรทำธรรมวิจยะอยู่นะแล้วก็มีความตั้งใจมีความเพียรพยายามที่จะเอามาใส่ในชีวิตประจําวันด้วย อ, อย่างที่ท่านบอกให้ทำได้เลยเนี่ยนะค ะ, อ, ะอันนี้ถือว่าเราเข้ากระแสของพ่ชงหรือยังก็สรุปแล้วได้คาตอบว่า ใ, <น S 2> ใช่ถูกใช่ถูกต้องแต่ว่าก็จะมีลาดับขั้นของการ ที่จะสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกระบวนการที่เราจนจนถึงพัฒนาการไปถึงจุดที่ตรัสรู้ได้แต่เราจะไปถึงหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของเราไออคํานี้ก่อนนะว่าพ่อชงหรือว่าองค์ทานการตรัสรู้ธรรมเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการตรัสรู้เนี่ยบางคนก็จะคิดว่าโอ้มันต้องแบบแบ บ, แบบแบบบึ้มขึ้นมาหรือว่าแบบเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยเรื่อง น, นี้ก็ใช่อยู่ตรงนี้คือจุดสูงสุดไง ทีนี้เอาคําว่าตรัสรู้นะถ้เราจะแปลแบบง่ายๆตามความเข้าใจของคนทางบ้านคือให้เกิดความเข้าใจเราจะทําความเข้าใจในองเล็บตรัสรู้เนี่ยในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็เนี่ยคือองคธรรมตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นเอาแค่ว่าความเข้าใจในเรื่องของกรรมความเข้าใจในเรื่องของการที่เป็นเหตุเป็นผลความเข้าใจในเรื่องของการที่ไม่งมงายไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรที่เป็นแบบเป็น เป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะผิดผิดที่ไม่ถูกเนี่ยแล้วเรามาเข้าใจให้ถูกเนี่ยจะใช้คําว่าตรัสรูนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นไปตามลําดับขั้นไปอย่างเงี้น <Okay. S 1> ยนะคนที่อาจจะเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง่งคนนั้นจะบรรดาลความสุขคนนี้จะบรนดาลความสุขเอาแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไงนนะเอ้มันต้องเป็นเรื่องของกรรมนะเป็นเรื่องของความเป็นเป็นผลนะคุณเข้าใจตรงนี้คือคุณตรัสรูนะใช้คํานี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่า ย, <Okay. S 1> ยังไม่พ้นถึงที่สุดใช่ไหม ก็รู้เป็นลําดับขั้นลาดับขั้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ดิฉันขอยกตัวอย่างยางเพราะว่าจะได้ทําให้ท่านทั้งหลายนมั่นใจในการปฏิบัตินะคะว่าอย่างกับสมมติท่านฟังเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องสีห้าเพราะทุกวันนี้ก็รณรงค์กันอยู่ออืก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันพยายามทําอยู่ไม่ครบห้าก็พยายามทําแล้วก็รู้ตัวเป็นส่วนใหญ่นะว่าขณะนี้เราบกพร่องบ้างหรือไม่อ่ะเผลอไป ไม่พูดตามความจริงแล้วมันจําเป็นเผลอไปทําน่ทนทานี่นิดหน่อยสมมุตินะคะอันนี้นี่ก็ถือว่าเข้ามาสู่จุดของโพ่อชงหรือยังคะ เ, เข้ามาตรงที่ว่าเราเริ่มมีสติเราเริ่มมีสติรู้ว่าเฮ้ยฉันยังพลาดอยู่ตรงนี้นะเฉันตรงนี้ฉันทําได้นะแล้วไอ้ตรงนี้คือเรามีสติแล้วการที่เราเรามีสติได้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีความเข้าใจว่าเออนี่มันดีอันนี้มันไม่ดีอันดีนี่ควรทําแต่ไม่ดีนี่ไม่ควรทำใช่ไหม ตรงนี้ก็คือมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องดังนั้นมันมันเป็นไปตามกระบวนการมาก็ถ้าว่ามันเข้าไปสู่กระบวนการธรรมวิจยะแล้วด้วยถูกต้องแล้วก็มีความเพียรคือวิริยะสามโพชงแล้วด้วยใช่แต่บางทีมันยังทําไม่ได้เพราะอะไระทำทำความสงบระ ง, งับทํากระบวนการเนี้ยให้เกิดขึ้นยังไม่ได้ร้อยเปอร์ซนเพราะมันยังมีข้ขออ้างเช่นว่า้มีความจําเป็นที่ต้องโกหกแต่แต่ไอความจําเป็นไอความจําเป็นเนี้ยมันเป็นความจําเป็นของกิเลสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ เรายังทําความสงบระ ง, งับไม่ได้ก็ทําได้ไม่เต็มแต่เพะะฉนั้นความเข้าใจหรือการทําให้เกิดขึ้นมันก็ยังได้ขึ้ น, น, น, น, นกลางๆแตม่มันมาตามกระบวนการละค่ ะ, ะกะ็เพื่อที่จะให้กําลังใจว่าถ้าหากท่านตั้งใจจะรักษาศีลก็ขอให้รู้เถอะว่าท่านได้เริ่มทําให้สติเกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโพชฌงค์และยังจะปรากฏองค์โพชฌงค์อื่นๆขึ้นด้วยก็ได้ตามความ ก้าวหน้าตามพัฒนาการของการปฏิบัติเนบทีนี้มาถึงคำถามนะค ะ, mm hmm. ะท่านคะเรียก็ว่าคำถามนี้ก็ใหญ่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะถามเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องอริยสัจสี่ mm hmm. ผู้ผู้ถามชื่อคุณพัชนีวัน mm hmm. บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเชื่อมกับทุกขหรือสมุทัยคะเอาเข้าได้นี่ก่อนนะได้ค่ะท่านคะปฏิจจสมุปบาทเชื่อมกับทุกหรือสมุทัทย Uh huh. เอาคําำว่าปฏิจสมุบาทก่อนแต่เราได้เคยอธิบายไปในหลายๆครั้งอยู่ว่าหมายถึงสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นอันนี้คือปฏิจสมุบาท์แตพระพุทธเจ้าอธิบายคํานี้เอาไว้แตบอกว่าปฏิจสมุบาทเนี่ยที่หมายถึงทุกและเหตุเกิดทุกแต่ท่านบอกไว้แบบนี้นะที่ที่ถ้าในคําถามของคุณรัชนีวันเนี่ยถ้าบอกว่าปฏิจสมุบาต์เชื่อมกับทุกหรือสมุทยัยเอ่อมันมันจะคลาดเคลื่อนตรงนี้นิดหนึ่งว่า ปฏิจจสมุปบาทมันม right. ีเรื่องของการเกิดและเรื่องของการดับแตถ้าเป็นเรื่องของการเกิดนการเกิดขึ้นของสิ่งสองสิ่งที่มาอาศัยกันแล้วกันแล้วเกิดขึ้นใช่ไหมไอการเกิดตรงเนี้ยจะใช้จะเรียกว่าเป็นทุกข์และสมุทัยการเกิดตรงนี้นะเรียกว่าเป็นทุกข์และสมุทัยส่วนที่เรื่องของการดับไปในนี้ความสวยงามในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคืออาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วก็แยกกันแล้วก็ดับไป นะอาศัยกันและเกิดขึ้นเนี่ยขาเกิดตรงนี้คือทุกข์และสมุทัยแยกกันแล้วก็ดับไปทั้ง2 อ, อย่างเนี่ยอันนี้คือนิโรธและมรตนะเรียสัตนวะเราจําได้ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรตสีอย่างใช่ไหมแบ่งเป็น2 ส, ส่วนทุกข์สมุทัยแยกเป็นส่วนหนึ่งนิโรธมรตแยกเป็นส่วนที่2ทุกข์และสมุทัยที่แยกเป็นส่วนแรกนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปาเนี่ย ก็คือการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นใ น, นนี้คือส่วนแรกคือทุกขและสมุ ท, ทยัยปฏิจจสมุปบาทมีส่วนที่2ด้วยที่พูดถึงว่าการแยกกันแล้วก็ดับไป่สิ่งที่ไม่มีมันก็ดับไปอันนี้ถ้าแยกกันสองอยา่างปุ๊บก็ดับไปเลยสองการทํางานที่ว่าเป็นลักษณะการดับตรงนี้ก็คือส่วนที่สองอยู่ในเริยสัตสี 4, ที่พูดถึงความดับคือ น, นิโรธและทางให้ถึงความดับคือมรคแยกเป็น2 ส, ส่วนกันอย่างนี้เจมป์บอนด์ นันก็เท่ากับว่าคำถามปฏิจจสมุปบาทเชื่อมกับทุกหรือสมุทยัยคือเป็นทั้งสองส่วนถ้าในส่วนของอาการกทำที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ใ, ในส่วนเกิดก็คือทุ ก, ทกและสมุทยัยซึ่งเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าท่องๆกันมาว่าเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนทมที่อาศัยกันและกันให้ดับลงนะคะแยกกันแล้วก็ดับไปก็จะเกี่ยว กับอริยสัจในข้อที่สามและข้อที่สี่นิโรธและมัจใช่เราสรุปแล้วปฏิทินสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจสี่นั่นเองถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่พูดนี้ได้เลยค่ะดังค่ะดังนั้นอ่คาคําถามถัดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องอริยสัจสี่เหมือนกันนะคะถามว่านิโรธคืออะไรคือวิมุตหรือนิพพานใช่หรือไม่ไหมคะ ยังไม่ใช่ร้อเปอร์เ็์เอาก่อนว่านิโรธคือความดับดับของอะไรแต่ถ้าเรามาดูในคํานิยามในอริยสัจสี่ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มกรครคคำว่า น, นิโรธพระพุทธเจ้าให้นิยามเอาไว้นะคือทุกท่านก็จะให้ไว้คือเกิดแก่เจ็บตายโศดรับในนามพันขันห้าใช่ไหมสมุทัยก็จะตันหาที่ทำให้มีความเกิดใหม่การมต า, ร า, าตันหาภาวะตันหาว่าไปส่วนนิโรธอันนี้ท่านให้นิยามเอาไว้ว่า หมายถึงความดับไม่เหลือของตันหานั่นเดียวเพราะความจางคลายความดับไปไม่เหลือแห่งอภิชาแต่ความจางคลายความดับไปไม่เหลือของตันหาเพราะฉะนั้นนิโรธเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นนิพพานเป๊ะๆมันยังไม่ใช่มันเป็นขั้นตอนกันไปก่อนแต่คุณต้องดับตันหาให้ได้ก่อนนิโรธคือความดับดับของอะไรดับของตันหาไงไม่ใช่ดับของทุกนะคือดับของตันหาพอดับของตันหาแล้วไงทุก็จะดับไปสิ ทุกดับไปแล้วยังไงตรงนั้นเขาเรียกว่าวิมุตไงคือความพ้นนะพอพ้นแล้วแล้วเหลืออะไรเหลือนิพานคือความเย็นนะนิพานนี่แปลว่าเย็นมันมันก็จะเป็นลําดับกันมาถ้าจะบอกว่าเป็นซินโนนิมของกันมันก็พอจะได้อยู่แต่แต่ว่าเอาเป๊ะๆ เ, เลยเนี่ยโดยนิยามเลยเนี่ยนิโรธเนี่ยจะจะหมายถึงนิพานมันยังไม่ใช่เปะ100๊ะร้อมันก็จะต้องหมายถึงความดับไม่เหลือของตัณหาแล้วพอความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ย ทุกมันจะไม่มีเหรอทุกมันก็ไม่มีงไงพอทุกไม่มีแล้วนั่นคือความพ้นคือวิมุตติพอพ้นแล้วมันจะเหลืออะไรก็คือเหลือความเย็นกิริพานเพราะนั้นมันมันเป็นอย่างนะี้นะอันนี้นี่คือโดยนิยามโดยนิยามค่ะก็เอ่เป็นการให้นิยามที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้อ่าสามารถที่จะเข้าใจ ในทุกกระบวนการของการดับทุกนี่อย่างถูกต้องใช่ใช่แล้วคำนี้เนี่ยคำว่านิโรธเนี่ยน ะ, ะมันมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่าเฉพาะพระอาหารหันต์ถึงจะได้แต่ว่าอย่างสมมุติว่าเร า, า, าเรา เ, าเรามีของเล่นเด็กอย่างนี้นะคุณยมติวเรามีของเล่นเด็กสมัยก่อนคุณยมติ๋วสมัยก่อนเล่นอะไรอะ่ะหนังกระติกกระโดดหนังกระติกหรือเล่นมอกกี้ม็อกแกง๊ง เล่นดินเล่นทรายเล่นใบไม้แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยเอตมาก็เล่นเขียยลูกลอกแต่เริ่มมีเกมกดคอมพิวเตอร์บ้างแต่เล็กน้อยนีทีนี้ไอ้การเล่นอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนที่เราเล่นเนี่ยเราจะมีแบบว่าโห้ยข้าวก็ไม่กินนะแม่เรียกไม่กินข้าวแม่เดี๋ยวห่วงเล่นก่อนนะยึดถือขนาดนั้นมีความยึดถือแต่ความยึดถือตรงนี้คือความทยานอยากที่มันจะได้ใช่ไหมอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเล่นนี่คือความอยากตรงนี้ทีนี้พอเราโตขึ้นมา เป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออายุจนป่านนี้เนี่ยเอย๊เราไม่ได้มีความไปอยากตรงนั้นอีกอยากที่จะเล่นอยากที่จะทําจนกระทั่งข้าวปลาไม่กินเอ๊ะเราไม่อยากะนะใช่ไหมเราไม่ได้ไปเล่นดินเล่นทรายเล่นเกลอือลูกลอกตุ๊กตุนตุ๊กตาเกมกดคอมพิวเตอร์นั้นเราไม่อยากละแสดงว่าตันหาของเราเนี่ยมันดับไปแล้วนะมันดับไปจากไหนจากสิ่งนั้นอ่ะจากสิ่งนั้นตรงนี้คือนิโอดคือความดับไปละเพราะฉะนั้นเราจึงพ้นเราจึงพ้นนะเราจึงพ้นพ้นจากอะไร พ้นจากการที่จะไปตามอํานาจของมันตามอํานาจของของเล่นนี้เราจึงพ้นมาความพ้นนี้คือวิมุตต์ความพ้นนี้คือวิมุตต์นะนี่คื อ, อามาไล่ไปทีละศัพ์นะหนึ่งคือ น, นิโรดใช่ไหมคือคุณดับแล้วนะดับจากความอยากของอะไรในของนั้นนที่เราเคยเล่นมาทำให้เราอะไรทำใม้เราพน้นพ้นจากการอะไรพ้นจากการไปตามอํานาจของมันแต่มันจะมาล่อลวงยั่วยวนให้เราไปเล่นไม่ได้ละฉันฉันพ้นจากเธอละฉันมีมุตดละ และ้นมันจะเหลืออะไรเราเห็นอันนี้เราก็จะเย็นสบายอยู่ในใจธรรมดาเราไม่ได้ไปวันไหววุว่นวายปเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่ให้เกิดอะไรมันก็จะดับเย็นไปนัดับเย็นนี่คือ น, นิพพานแต่เพราะนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราอยู่ตลอดเวลาอนิโรธวิมุตตินิพพานเนี่ยนะอ่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาคือคือคือมันเกิดขึ้นนะเราเราสามารถสังเกตเห็นได้ถ้าเราดูดีๆทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีมันกลับกำเริบเนี่ย อย่างสมมติคนที่ยังมีอวิชชานั่นคือความไม่รู้อยู่เนี่ยเอา้าคุณรู้ว่าของเล่นนี้มันของเล่นมันมันไม่ต้องเล่นก็นได้เอาคุณรู้แล้วโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าอาวิชชามันยังมีอยู่เนี่ยความไม่รู้มันยังมีอยู่เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่รู้ในสิ่งอื่นๆอย่างเช่นว่าการงานโอคุณโตขึ้นมาคุณทําการงานใช่ป่ะการงานที่สําคัญมากเลยนะต้องทําให้ได้ต้องอะไรก็คือคุณยังไม่รู้ว่าความไม่มีสาระ ข, ของมันน่ยมันมีอยู่แต่ความไม่รู้ตรงนี้คืออวิชชาแต่มัน เันคือบางทีเราวางสิ่งนี้ได้แล้วก็ไปยึดถือสิ่งอื่นอละนี้คือมันยังมีการกลับกําเริบของไอ้เจ้าตัณหาอวิชชาอยู่ในบางสิ่งบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าระวางไม่ได้เราก็วางได้ทีนี้ถ้าเราพัฒนาไปทําไปทําไปเนี่ยมันจะไม่กลับกําเริบอีกนี่ตรงนี้คือที่ว่านิพพานที่สุดจบนี่คือนิโรธคือวิมุติที่เราหมายถึงค่ยเข้าใจกันว่าของพระอรหันต์คือมันไม่กลับกําเริบแล้วหมดจดจริงๆนี่เป็นอย่างนี้ก็มี <c oughs> คะ่ะท่านพรวงค์คะท่าน พ, พยบุญก็พยายามที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้มีความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่รอบตัวเราอยู่กับตัวเราอย่างที่เราไม่รู้ <c oughs> เพียงแต่ว่าในความก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาการนั้นยังไม่พิถึงจุดที่ถดับทุกในความหมายของพระพุทธองค์ <c oughs> ที่เป็นความทุกข์ อย่างยิ่งยวดของมนุษย์คือแก่เจ็บตายได้ดิฉันชอบมากเลยนะคะที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยเพราะก็คิดตามไปว่าโอ้เรานี่หนอก็ยังพัวพันอยู่กับความดับไม่ได้ของตันหาในเรื่องท่านบอกผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะจะเป็นเด็กๆที่ยังไม่รูย้ย่ำเวลาในการเล่นของเล่นยังห่วงเล่นแต่ผู้ใหญ่เนี่ย สมัยนี้ก็ห่วงของเล่นสมัยใหม่เหมือนกันนะคะเช่นดิฉันต้องยกตัวอย่างเฉยๆที่ยกบ่อยอะคืออย่างการสื่อสารกับคนรู้จักไม่รู้จักไม่รู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันเข้ามาสู่ในชีวิตเหมือนกับเป็นมารชนิดหนึ่งแล้วนะคะที่มาพัวพันทำให้ทุกคนเนี่ยเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ แล้วก็เหมือนกับติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้่มีตันหาอยู่กับสิ่งเหล่านี้อืมใ่ก็ลองไปละละกันนะคะฝึกๆละเนี่ยเพ้อๆจะทําให้ก้าวหน้าในทางทำควบคู่กันไปได้ง่ายขึ้นด้วยอืมตอนนี้นะที่อในเวลายุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมของเล่นอะไรต่างเขาก็เปลี่ยนแปลงไปาจากที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ ผู้ใหญ่เล่นเด็กก็เล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็ติดเหมือนกันแต่ทีนี้ประเด็นที่เราต้องดูตรงนี้ก็คือว่าคนที่จะหลุดพ้นจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีผจัจนาเนต้องมีสิ่งมากระทบต้องคือมันต้องมีการยึดอะคุณถึงจะพ้นได้อยู่ๆความพ้นจะจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมาติดใช่ไหมทีนี้ถ้ามันติดมากๆืองทีมก็พ้นยากแต่ถ้าเราดูเฉพาะจุดนะดูที่เฉพาะจุดดูที่เดี๋ยวนี้ดูที่นา w เนี่ยดูที่เดี๋ยวนี้เนี่ย เราติดตรงไหนเราพ้นได้ตรงนั้นอันนี้คือ oh, <okay. S 1> ข้อที่ดีเราติดตรงไหนเราพ้นได้ตรงนั้นเรายึดตรงไหนเราต้องวางได้ตรงนั้นทีนี้ถ้าเรามองแบบโอ้มันยึดมากเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้โน้นบางทีเราจะทําไม่ได้มันจะท้อแท้อ่อนแอเอาเราไม่ต้องไปมองกว้างเอามองตรงนี้เดี๋ยวนี้นะจุดนี้แต่ว่นคําสัอนของพ ร, <Okay. S 1> ระเจ้าเนี่ยจึงเอาตรงนี้แตนะ่ทำไมคุณถึงจะมาเพ่งดูเฉพาะจุดตรงนี้ได้เพื่อทําให้เกิดการการะทําได้คุณก็เข้าสมาที่ไงคุณก็มาตั้งสติ ข, ขึ้นไง มองเห็นเพ่งดูไปเฉพาะจุดแล้วเอาเราเราติดตรงไหนคุณวางตรงนั้นคุณยืดตรงไหนคุณวางตรงนั้นเอาแค่ทีละจุดเนี่ยมันจะค่อยทำการปฏิบัติให้เราก้าวหน้าขึ้นไปได้มันเราชนะได้อะพูดง่า ย, ายๆนะอันนี้ธรรมาหมายถึงเฉลิมพค่ะนะคะก็มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับการที่พอเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งยากในการในการไปเข้าคอส วัดป่าดอนไฮโซกก็ได้ถ้ายังไม่มีเวลาใช่ไหมคะเรียนผู้ย่างีได้ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งของเราอืมก็ต้องรู้วิธีก่อนเนยวิธีในการที่ว่าเฉพาะจุดนี่เราจะวางตรงที่วางเนี่ยคุณจะทํายังไงคุณจะมาเพ่งให้มันถูกจุดเนี่ยทำยังไงอันนี้การก้าคอสมักทีถ้าเรายังไม่ทราบเราก็มาศึกษาก่อนแต่ถ้าทราบแล้วเราก็ไปปฏิบัติได้ที่ไหนก็ได้ ค่ะคือดิฉันไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปเลยนะคะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วก็มีมุมที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้จริงๆริงนะถ้าหากว่าสมมติเราเนี่ยได้รับความรู้อาจจะไปโดยตรงที่วัดหรือว่าเราฟังจากท่านซึ่งเป็นผู้สอนอยู่ที่วัดใช่ไหมคะให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วระหว่างนี้ไม่มีเวลาไปแล้วเราก็ต้องพัวพันอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรายึดในขณะนี้เฉพาะหน้าอย่างที่บอกเนี่ย น, นะคะยกตัวอย่างเช่น อี่ยนกับเรื่องของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์อย่างนี้เราก็มาฝึกปฏิบัติกับตรงนี้ก็ได้สติมันตั้งขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาแล้วใเมื่อมีความรู้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใครขวดแล้วธรรมวิจาะาแล้วเราก็มาลงมือทำด้วยการที่มีความเพียรที่จะละจากอาวิชาที่ทำให้เราไปติดข้องมีตัณหากับสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงถูก ต, ต้องเวัน่ะ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะดีฉันชอบที่บอกว่าติดการยึดเนี่ยมีประโยชน์จะหลุดพ้นต้องมีการยึดถูกต้องมันมันต้องเป็นอย่างนั้นเหตุเหตุปัจจัยมันมาเป็นอย่างนั้นค่ะท่านฟังลองคิดใคร่ครวนตามนะคะคือเหมือนกับว่า อ, อ่เพราะมีการยึดมันถึงมีอะไรให้เราปล่อยอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องมันต้องมีมันมันจึงต้องวางได้ไงอืมนะคะอก็ ขอบคุณต้นเหตุแห่งการที่ทําให้เรายึดจนเรารู้สึกว่ามีความทุก์จากการไปยึดนั้นทุกๆอย่างกันแล้วกันนะคะอย่างนี้ได้ไหมคะถูกต้องอรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณค่ะใช่ ม, มันเหมือนกับว่าเราจะทดสอบว่าในทางวิศวกรรมเนี่ยทางโยธาเนี่ยเขาจะต้องมีการทดสอบว่าคอนกรีตอันนี้แข็งแรงมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมเขาต้องเอามาทําลายก่อนทําลายที่ด้วยแรงเท่านี้แล้วมันแตกจนถึงจุดที่มันแตกตรงนั้นเนี่ย แล้วเขก็จะมีตัวอย่างทําเป็นแซมเปิลก้อน น, อน้อยใช่ไหมมาเทสโดยการเอาทุบให้มันแตกแล้วก็ดูว่าไอ้ทุบเนี่ยด้วยแรงเท่าไหร่ก็จะรู้ว่าอ๋ อ, อคอนกรีตอันนี้รับแรงได้เท่านี้ ต, ตรงจุดนั้นเนี่ย<ช>ที่ว่ามันแตกตรงนี้นนคือจุดที่จะรู้ว่าอ๋อมันรับแรงได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>เราจะพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต้องมีการกระทบตรงนี้คือถ้าเราเห็นโดยธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พระคิดว่าเป็นเรื่องชั่วร้ายอะไรที่แบบว่ามันมาเกาะกลุมกุ้มลุมของเราเราก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เราก็จะวางได้ไงเพราะฉะนั้นอุปสรรคเนี่ยมีให้เพื่อเราวางแตมันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจออุปสรรคต่างต่างแล้วมองจากมุมเนี้ยกำลังใจเราจะมีเราจะไปแบบได้อืเอาอีกสักตัวอย่างนะคะไปตรวจด้านกายมาอืพบมันมีเงาเงาอะไรกันไม่รู้นะ อ, อวัยวะสําคัญอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจซ้ํา มันเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาละทันทีในตอนนี้ในกระบวนการที่เรากําลังสนทนากันอยู่นี้ตัวอย่างนี้จะใช้มาทําให้คลี่คลายหรืออธิบายได้อย่างไรครัตัวนี้ก็จะจะเป็นเทวทูต ท, ทันทีในะความเจ็บไข้ความป่วยเนี่ยเป็นเทวทูตนะียเป็นเทวทูต ท, ที่คือเทูตเนี่ยคือผู้นําข่าวสารถูกไหมเทวะนี่คือความดีความงามความสุขในะเทวทูตก็คือผู้นําข่าวสารความดีความงามความสุข เพราะนั้นเวลาเราป่วยแล้วเนี่ยให้มองมุมนี้ว่าโอนี่คือเทวทูตเอาเทวทูตนําอะไรมาก็มาเตือนสติให้เราทําความดีเราก็สามารถที่จะทําความดีได้แต่คือคนจะเจ็บจะป่วยจะสุขภาพดีแข็งแรงก็ทําความดีได้หมดแต่นี้มันมาเตือนเราให้เรานั้นรู้ว่าเราจะต้องทําความดีนั่มองจากมุมเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเทวทูตก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นในในใจของเราได้นะค่ะแต่ถ้ามองในเรื่องของการที่จะหลุดพ้นจากความไม่สบายใจ ในขณะที่ไอ้เจ้าตุ่มนี้ก็ยังอยู่ในร่างกายอืมอ่าก็จะมองแบบที่ท่านกําลังอธิบายปฏิจจาระและอริยสัจในส่วนของอ่าเรื่องของวิมุตต์อย่างเงี้ยได้ไหมคะเรื่องของนิโรธที่คุณรัชนีวันยังถามอยู่บางทีท่านจะจะสมมุติว่าอันเนี้ยการที่เราไปติดกับความไม่สบายใจในความไม่ชัดเจนเพราะมันยังจะต้องมีการวินิจฉัยต่อเนี่ยนะคะว่า เป็นเรื่องของการมีตันหาเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าคะแล้วก็ไปยึดตรงนั้นคือมีอุปท า, านเกิดขึ้นล <ะ S 2> แล้วใช่ใช่ใชหรือปล่าคะ่ะใช่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มีความอยากมีความทยานอยากไปตรงนั้นมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาความกังวลใจขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ต้องทําให้หลุดพ้นจัดการยึดตรงนั้นติดตรงไหนพ้นได้ตรงนั้นพ้นได้ด้วยวิธีใดค่ะไปคิดยังไงค่ะก็พิจารณาว่า พิจารณาว่าคือถ้าเรามีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เราจะมีความทุกข์ทั้งนั้นเราก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่อยากว่าเออนี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่มันก็เป็นไปตามการเหตุตามปัจจัยของมันถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่มันจะให้เป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรมันก็จะมีถ้าเหตุปัจจัยไม่มีมันก็จะดับไปแต่เราพิจารณาอย่างนี้เราจะวางความอยากตรงนี้ได้นี่มันมาท้าทายเราอ่ะให้เราไปคล้องไปแวะไปเกี่ยวไปติดหนึบ เราก็ท้าทายมันด้วยการเห็นตามที่เป็นจริงเราจะวางตรงนั้นได้กายกับจิตของเราะจะแยกกันไปได้ตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าจะมีตัวอย่างอื่นๆที่สามารถจะปรับเอาคำตอบเดียวกันนี้ไปใช้ได้ตัวอย่างที่คล้ายๆกันนะครับคนกังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ เยอะนะคะการที่กังวลกับอนาคตเอ๊ะมันเศรษฐกิจมันจะแย่ไว้เน่ยธุรกิจมันจะแย่เปล่าก็สามารถคิดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ท่านค่ะทีนี้มาคําถามสุดท้ายค่ะของคุณรัชนีวันย้อนกลับไปถามที่อริยศาสตร์ข้อสมุทไทยว่าสมุทไทยเหตุแห่งทุกสรุปได้ว่าคือขันห้าใช่หรือไม่คะอ่อ สมุทัยแปลว่าเหตุเกิดทุกข์อันนี้ถูกต้องอยู่แต่ว่าเหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่ขันหะเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมสมุทัยแปลว่าเหตุเหตุให้เกิดมันก็คือตัณหาแต่ว่าขันหะไม่ใช่สมุทัยขันหะนี่คือตัวทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือขันหะสมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือตัณหา ในประเด็นที่อาจจะสับสนตรงนี้ก็คือว่าตัณหาเนี่ยจะไม่เกิดในอะไรเลยจะไม่เกิดในอะไรเลยนอกจากขันธ์ห้าฟังอีกทีหนึ่งะตัณหาคือเอาเอาพูดถึงความยึดถือแล้วกันอุปาทานคือความยึดถือเนี่ยมันเป็นกลุ่มเทือกเดียวกันกับตัณหามันจะไม่เกิดในอะไรเลยมันจะไม่เกิดในอะไรเลยยกเว้นขันธ์หมันจะไม่เกิดในมรรคมันจะไม่เกิดในนิโรธมันจะเกิดในขันธ์หเท่านั้นทําให้บางทีเราเราสับสนว่าอันี้มันทุกข์หรือมันสมุทัย มันเพราะว่ามันจะติดอยู่หนึบมาด้วยกันมันมีสมุทรไทยตรงไหนตรงนั้นคือความทุกขันทีเวลาเราเห็นมันก็จะเห็นพร้อมกันถ้ามีตันหาคุณต้องมีขันห้าอยู่แน่นอนเพราะตันหามันจะติดกับขันห้าเท่านั้นมันไม่ติดกับสิ่งอื่นแต่ทําให้บางทีสับสนกันไปแต่โดยนิยามนะพระพุทธเจ้าพยายามที่จะแยกแยะออกให้เกิดความเข้าใจว่าสมุทรไทยก็คือตันหานะทุกก็คือขันห้านะไม่ใช่อันเดียวกันนะ2อย่างนี้ไม่ใช่ทําเหมือนกันด้วยนะ ตันหาคือเจ้าสมุทัยเนี่ยคุณต้องละออกนะแต่ขันห้าไม่ใช่เป็นละไปทิ้งไม่ได้ขันห้านี้ต้องทําความเข้าใจแต่แต่ตันหาต้องทิ้งต้องละกิจที่ควรทำก็ต่างกันตอนนี้นี่คือในข้อที่สามเชิญพรค่ะแหมมันใกล้ชิดกันมากแล้นะคะอืมคือถ้าไม่รู้พุทธพจน์ก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ออันนี้อันนี้นนนมาเปรียบเทียบตรงนี้ที่หนึ่งเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ถูกต้องจริงเช่นว่า มือของเราเนี่ยไปติดกับสักวัตถุใดวัตถุหนึ่งเช่นไปจับเสาแล้วพวกรกดเสาเนี่ย <Yeah. S 1> มันมีกาวมีกาวทาอยู่แล้วมือเราก็ไปจับพุ้อย่างเงี้ยใช่ป่ะโอ้โหมันก็ติดกับเสาหนึบเลยแกะไม่ออกทีนี้ทีนี้คุณจะแกะออกทํำยังไงคุณไม่ใช่ตัดมือออกใช่ไหมก็คือมือเนี่ยเปรียบเหมือนกับกันห่าไอ้กาวเนี่ยเปรียบเหมือนกับตันหาเวลาเราจะละ ขันห้าไม่ใช่ว่าคุณไปลักขันห้าคุณจะไปทําขันห้าทิ้งขันห้ามันไม่ได้ไปตัดมือไม่ได้คุณต้องไปแซะไอ้ตรงช่องว่างระหว่างเสากับเมืองคุณใช่ไหมที่เป็นกาวไปแซะแซะแซะแซะตรงนั้นปาตรงนี้ให้มันออกไม่ใช่ไปไไปปเฉือนมือออกไม่ใช่อยเช่นเดียวกันเราจะลักทุกได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทิ้งทุกแต่ว่าคุณจะต้องไปลักตันหาตรงนี้ไปแซะไอ้ตรงกาวที่มันมาติดหนึบระหว่างจิตของเรากับขันห้าเนี่ยทำไมมันติดกันจ้างคุณไปแซะตรงนี้แนววิธีแซะมันต้องใช้มีดคม ความคมตรงนี้คือมักแปดเป็นบัญญาที่จะไปแซะ ต, ตรงนี้ออกให้ได้แต่เช่นเดียวกันเราเราจะละทุกไม่ใช่ไปทิ้งทุกแต่ต้องตัดตันหาแต่ซึ่งมันเป็นตัวบางๆทำให้เราบางทีไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าจึงแยกแยะออกว่าตันหานะคุณต้องละนะคุณต้องทิ้งคุณต้องฟันมันออกแต่ทุกนะคุณทําความเข้าใจว่าไอ้ น, นี้ส่วนนี้มันแยกกันไปถึงจะผ่านไปได้เนชะ่นบอลค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าจะสามารถทำความเข้าใจได้โดยเฉพาะตัวอย่างจากที่ท่านได้ยกนี่ก็ทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าขันห้าคืออะไรตัณหาคืออะไ ร, ออะไรแล้วก็ควรจะปฏิบัติเพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์โดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ในลักษณะเช่นไรตัณหาแปล ว, ว่าความอยากแต่รวมไปถึงอยากไม่ด้วยใช่ไมคะใช่อยากที่จะไม่ได้ อยา่างท่ยังไม่มีอ ย, าอยา่อยางไม่เป็ น, ปนอค่ะขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เมตตาให้ความรู้กับพวกเราโดยต้องขอบคุณคุณรัชนีวรรณที่ถามคำถามเหล่านี้มาด้วยกลางน้อมสักการะทั้งค่ะใช่ปานค่ะท่านวังที่โพบค่ะแล้วนั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่กับปฏิจจ สมุปบาทนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะเจริญสติตามที่ท่านไพบูบุ์เน่เมตตาบอกสอนเราในช่วงต้นของรายการกันให้ต่อเนื่องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ติดตามรับฟังรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดิฉันกับท่านไพบูบุ์จะมาสนทนากันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะคะติดตามกันดิฉันสนทนาน่าพงศ์สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106วันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ